ญาติธรรมนักปฏิบัติธรรมที่เคารพรักทุกท่านเช้าวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้มาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระทรรมฟังธรรมะก็ต้องฟังแบบสบายๆธรรมะไม่ใช่เรื่องเคร่งเครียดธรรมะต้องผ่อนคลายความเค่งเครียดนั้นไม่ใช่ธรรมะเป็นความเห็นผิดของชีวิตเราเราฟังธรรมะ ก็ฟังเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราธรรมะคือชีวิตชีวิตคือธรรมะเป็นสิ่งเดียวกันอย่าให้มันแตกต่างกันเราจะเข้าใจธรรมะได้ต้องเข้าใจชีวิตเราด้วยเรามาแก่าขาดสติปัญญาไปฟื้นกฎของธรรมะกฎของธรรมะก็คือความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้อันนั้นคือกฎของธรรมะแต่เราไม่ใช่คิดอย่างนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็อยากให้มันเที่ยงแท้แน่นอนสิ่งที่มันเป็นทุกข์ก็พยายามที่จะให้เป็นสุขสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เราก็อยากจะควบคุมมันเพื่อได้อย่างใจเราอันนี้พราะเราเห็นผิดเราจึงเป็นทุกข์ความทุกข์นี้เกิดจากความเห็นผิดเนี่ยคือทุกข์แท้ๆเลย ไม่รู้เท่าทันความจริงของธรรมะและเกิดความยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้ได้อย่างใจเราเราจึงเป็นทุกข์แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่ามันจะมีความไม่เที่ยงความเป็นตัวความไม่ใช่ตัวตนก็ไม่เป็นไรแต่เราสามารถสับเปลี่ยนให้มันเหมาะกับชีวิตเราได้โดยการเห็นให้ถูกต้องเห็นให้ถูกตรงกับหลักของความเป็นจริงคนเราเนี่ยอย่างไรก็ตามจะรู้ธรรมะหรือไม่รู้ธรรมะ แต่เราก็อยากจะแสวงหาความสุขไม่อยากจะมีความทุกข์เราจึงไขว่คว้าหาแต่เรื่องของความสุขบางครั้งความสุขที่เราหามาได้นั้นก็ขัดกับหลักของธรรมเราจึงหาความสุขไม่เจอเราหาความสุขแต่ความสุขมันก็วิ่งหนีเราใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นไเราไม่อยากได้ความทุกข์ความทุกข์มันก็ไล่ตามเราติดๆความสุขเปรียบเสมือนคนที่เรารัก แต่ความทุกข์เปยนเสมือนคนที่รักเราคนที่เรารักเนี่ยโอ้โหวันวั น, วนอยากได้พบได้เจออยากเห็นหน้าไม่เห็นหน้าเห็นผ้าก็ยังดีแต่แล้วเราไม่ค่อยได้เจอแต่ความทุกข์นี่เราไม่อยากเจอคนที่เราไม่อยากเจอหน้าเนี่ยมันเจอกันทุกวันหน้าเบื่อหน่ายมันไล่ตามหาเราทุกวันทุกวันตือ่อเราว่างั้นเนี่ยความทุกข์เคยดูละครสมัยก่อนไหมวันนี้ต้องพูดให้เอาใจผู้สูงอายุหนะ่อเห็นผู้สูงอยู่นีกถึงคุณพ่อคุณแม่ แล้วก่อนมีละครเรื่องหนึ่งก็เรียกว่าแก้วหน้ามา้า <c oughs> แก้วนามา้าเนี่ยพระเอกชื่อพระปิ่นทองพระปิ่นทองนี่มีนางในฝันคือนางมณีเมฆขลา <c oughs> ฝันเห็นแล้วก็อยากเห็นหน้านางมณีเมฆขาลา <c oughs> เห็นหน้าแล้วคิดว่าจะเป็นสุขแต่แก้วหน้าม้าตามหาพระปิ่นทอง <c oughs> พระปิ่นทองก็ไม่ชอบใจเบื่อหน้าแก้วหน้าม้า <c oughs> พระปิ่นทองตามหามณีเมฆขลา แก้วนามาตามหาพระปิ่นทองตามฝ่ายต่างก็ไม่เจอกับความสุขเป็นเสมือนคนที่เรารักอยากพบอยากเจอแต่ไม่ได้เจอแต่ความทุกข์เป็นเสมือนคนที่รักเราตามตื้อเราติดติดสองฝ่ายเนี้ยใครจะดี่ากันดูใดีนะผมว่าแก้วนามาหรือความทุกข์เนี้ยอันเนี้ยซื่อสักรลมากกว่าเราไม่ต้องวิ่งหนีเลยเขาตามหาเราเสมอเสมอแต่เรากลับไม่สนใจ หนีความทุกข์เพื่อไปหาสิ่งที่มันไม่มีอะคิดนึกเอาคือ ค, อความสุขตามหาแล้วเราก็ไม่เจอเราก็เหนื่อยแต่ถ้าเราหยุดดูเฉยๆเราจะเห็นว่าสุขเนี่ยมันหลอกลวงเราทุกข์เนี่ยเขาบอกอะไรเราตรงๆไม่ใช่ว่าเราอยากจะมีความทุกข์แต่ความทุกข์มันซื่อสัตย์กับเราและอยู่ในตัวเราด้วยไม่ต้องไปหาที่ไหนเราจะเกิดปัญญาเพราะเห็นความทุกข์เห็นธรรมคือเห็นทุกข์อันนี้ชัดเจนกว่าความสุขนี่หลอกให้เราหลง แล้วเวลาเรามีความทุกข์เนความทุกข์ไม่เคยมาเหลียวแลเราเลยแต่ความทุกข์นี่บอกอะไรเราตรงๆทาเราไม่อยากปีไม่อยากเป็นอยากหนีอยากหลุดจยากพนแต่ไม่เป็นไรแม้ว่าเราอยากจะมีความสุขไม่อยากมีความทุกข์เรามีวิธีการเรามีอุบายเข้าหาตัวความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนความสุขมีอยู่แล้วในตัวเราเพียงเราใช้ชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันปัจจุบัน ที่กายที่จิตเราชีวิตจะเป็นชีวิตใหม่ชีวิตจริงๆนั้นเนี่ยไ ม, ไม่ใช่ในอดีตไม่ใช่ในอนาคตชีวิตจริงๆนั้นอยู่เพียงแค่หนึ่งขนาดจิตหนึ่งขนาดจิตในปัจจุบันนี้เองใช่ไหมนอกจากขนาดจิตนี้แล้วแหละไม่ใช่เป็นความคิดทั้งหมดเลยเราเมื่อวานนี้กับเราวันนี้เป็นคนเดียวกันไหมใครว่าเป็นคนเดียวกันเราเมื่อวานกับเราวันนี้นี่เป็นคนละคนนะ ถ้าเป็นคนเดียวกันเนี่ยแสดงว่ามันเป็นความคิดนะความคิดความทรงจําที่เป็นต่อเนื่องเอาคนเมื่อวานกับวันนี้เป็นคนเดียวกันถ้าอย่างนั้นอาหารเมื่อวานที่เราทานไปแล้วกับอุจจาระเมื่อเช้าก็เป็นอันเดียวกันสิมันคนละอันนะมันอะไรมันใหม่อะไรมันเก่าเพราะฉะนั้นคนเมื่อวานกับวันนี้นี่ไม่ใช่คนเดียวเราคิดเอาจึงคิดว่าเป็นคนเดียวแล้วยังพรุ่งนี้ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยที่นี่เดี๋ยวนี้ ปัจจุบันนี้เฉพาะหน้าอันนี้คือชีวิตจริงเป็นชีวิตที่ใหม่ที่สุดเลยใหม่ถอดด้ามยิ่งกว่าถอดด้ามกันวะนะใหม่กว่ามือถือรุ่นใหม่ซึ่งเขามีมาแล้วใหม่กว่ารถยนต์รุ่นใหม่ใหม่กว่าเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ว่าใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่กําลังรีดใน้ฟังนี้คือเป็นของใหม่ที่สุดที่เกิดเกิดดับดับนี่แหละความคิดก็ใหม่เพราะฉะนั้นเราอยากจะมีชีวิตใหม่ ทำใจอยู่กับปัจจุบันเขาไว้มันใหม่เสมอตลับเราพอชีวิตเราใหม่มองตัวเราเองใหม่ดูคนรอบข้างก็ใหม่เราเบื่อหน้าคนข้างๆอย่าหนีไปไหนที่เบื่อหน้าเขาเพราะว่าเรามองเขาเป็นคนเก่าเสมอๆใช่ไหมทําไมไม่มองเขาเป็นปัจจุบันบ้างล่ะเขาทําไม่ดีกับเราเคยทำร้ายจิตใจเราเคยทำร้ายร่างกายเรานั่นคือคนเก่านะแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ทําอะไรเราอย่างนั้นใช่ไหม ถ้าเราไปคิดเห็นเขาแล้วก็โยงเขาถึงใ น, นอดีตเขาก็เป็นคนเร็วคนชั่วในจิตใจเราเสมอตลอดชีวิตเลยอย่างนั้นเลยมยื่อยุติธรรมต้องมองเขาในปัจจุบันซะบ้างเขาจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เราเองต่างหากที่คิดผิดอันนี้ถ้าเราเอาตรงนี้ออกได้แล้วก็เราจะมีความสุขนะมองตัวเราเป็นปัจจุบันมองสิ่งรอบตัวสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจุบันชีวิตจะใหม่ที่สุดเลยนั่นแหละคือความสุข แต่จะทำยังไงให้ชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันให้ได้มันต้องมีวิธีการ <c oughs> เราต้องมีการผูกจิตผูกใจเอาไว้กับความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวทำให้ชีวิตเราใหม่ยัในใดที่เรามีความรู้สึกตัวเรามีชีวิตแล้วนะคนที่ขาดความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนคนไม่มีชีวิตคนตายไปแล้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกตัวหรอก คนนั่งอยู่ที่นี่แต่ถ้าปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยไปข้างนอกเราก็ขาดความรู้สึกตัวแสดงว่าเราไม่มีชีวิต <c oughs> ที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่มนุษย์ถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่แล้วก็เรายังมีชีวิตอยู่ความรู้สึกส่วนหนึ่งตัวว่าส่วนหนึ่งตัวคือกายกับจิตบวกกับความรู้สึกตัวที่เรียกว่ากายจิตเนี่ยเรายึดติดว่าเป็นตัวเราใช่ไหมแต่ถ้ามีความรู้สึกบวกด้วยเนี่ยรู้กายว่ากํกาลังทําอะไร รู้ใจว่ากําลังคิดอะไรนี่แหละคือความรู้สึกตัวรู้กายเคลื่อนไหวอันนี้รู้สึกตัวชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วรู้ใจมันคิดมันนึกอันนี้ก็คือความรู้สึกตัวชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วเป็นชีวิตที่ใหม่ด้วยคลอดมาใหม่ๆเลยนี่แหละคือความรู้สึกตัวทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยรู้สึกตัวเราเดินไปแล้วก็คิดไปไม่รู้ว่าเราเดินไม่รู้ว่าเราคิดอย่างเมื่อวานเนี่ยเดินส่งอารุณ <c oughs> เราเดินไปคิดไปคุยไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวเชื่อไหมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีการเดินรับอรุณเ <c oughs> ท่าเดินแบบดูแต่อรุณไม่ดูตัวว่าเรากําลังเดินอยู่ก็เราไม่มีชีวิตนะเป็นคนละเมอละเมอเมื่อ <c oughs> าวานเดินส่งอรุณวันนี้เดินรับอรุณดูซิว่าเราจะรู้ตัวไหมว่าเรากําลังมีสติหรือมีชีวิตเราทานข้าวแล้วก็ไม่รู้ตัวการทานข้าวยิงอาหารอร่อยๆเนี่ย <c oughs> เพลิดไปกับรสอร่อยของอาหารไม่รู้ตัวว่ากำลังผ่านข้าวเราดูทีวีก็ไม่รู้ตัวว่าดูทีวีโทรศัพท์ก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์ทําทุกอย่างไม่รู้สึกตัวว่าเราลังทำอะไรเราทําด้วยความเคยชินแล้วเราเปลี่ยนชีวิตใหม่อันนั้นเป็นความเคยชินเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความเคยชินเส้นใหม่เคยชินจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวชีวิตจะอยู่กับปัจจุบันเราจึงอาศัยรูปแบบ รูปแบบการยกมือสร้างจังหวะการเดินจงกรมอันนี้แหละคือการฝึกรูปแบบฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเราจึงต้องทำตรงนี้บ่อยทำให้ชำนาญรู้กายเคลื่อนไหวให้ชำนาญเรียก ว, ว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐาน <c oughs> เ, าเริ่มมีภาษาพระเข้ามาบ้างโยมก็องพูดภาษาพระบ้างกายานุปัสนาสติปัฏฐานคือมีสติรู้ลงไปที่กายกลังเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นหลัก รู้กายให้ชนานาญพอจิตที่มันชำนาญกับกายแล้วเนี่ยมันจําความรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยมันจะไปเห็นจิตเห็นความคิดเองรู้ง่ายๆรู้แบบสบายสบายอย่าไปเพ่งอย่าไปบังคับจิตมันจะเครียดรู้เบาๆรู้เล่ น, ลนแต่รู้เรื่อยไปจิตจะผ่อนคลายรู้แบบปันผ่านเบาๆผ่อนคลายจิตจะผ่อนคลายจะไม่เครียด รู้ไปเรื่อยๆนานๆไอ้ที่ลืมแล้วหมดแล้วไปนึกขึ้นได้ก็รู้ใหม่นี่คือการจริตติรู้กายมันรู้ไม่ชัดก็ไม่เป็นไรพอรู้ไปบ่อยๆนี่มันก็ชัดเจนไปเองเราถูพื้นครั้งแรกนี่มันไม่สะอาดต้องถูบ่อยๆใช่ไหมมันจึงจะสะอาดสติครั้งแรกไม่ชัดเจนไม่เป็นไรจเจริญมากๆทํามากๆนี่มันก็จะชัดเจนไปเองเอาการกระทําเนี่ยบุกเบิกไปเรื่อยๆ อาศัยความเพียรอาศัยความอดทนนี่แหละสติมันก็จะเกิดมากไปเองโดยอัตโนมัติต่อไปไม่ต้องเจริญมันก็เกิดขึ้นเมื่อเราสร้างขึ้นมาเจตนาเคลื่อนไหวสักหน่อยแล้วก็ใส่ใจที่จะรู้สึกมันจะพัฒนาขึ้นเมื่อเรามีความรู้สึกตัวบ่อยๆไปทุกอิเลียบทนั่งยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมเดินไปทํางานเดินไปใช้ชีวิตอะไรก็ตามรู้บ่อยๆทํำบ่อยๆสติมันก็จะมาก พสติมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดปัญญานะพอรู้สึกตัวแล้วมันจะรู้ธรรมรู้ธรรมะรู้ธรรมที่มีอยู่ในตัวเรารู้กายก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกายเ mm hmm. ชน่นความทุกข์เนี่ยนั่งน า, นานานี่เป็นทุกข์ไหม <c oughs> รู้สึกทุกข์ไหมโอ้นั่นรู้ทุกข์นะรู้ธรรมนะธรรมะเกิดขึ้นมาแล้วอย่าไปงุนงงอย่าไปไม่พอใจ เ, อเราเจริญสติเพื่อหา เพื่อรู้ธรรมะแต่พอธรรมะเกิดนี่เราไม่พอใจมันจะเป็นคนงมงายทุกเกิดขึ้นมาแล้วนั่นหละคือธรรมะทุกเกิดขึ้นที่ไหนทุกเกิดขึ้นที่กายมันปวดมันเมื่อยมันร้อนเกิดขึ้นที่กายใจเราเนี่ยเพียงแค่รับ ร, รู้รับทราบไว้อย่าไปเป็นทุกข์ด้วยกายเป็นทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์แยกรูปแยกนามเลยนะ แยกกายแยกจิตแล้วอันนี้ไม่ได้คิดเอามันมีจริงๆใช่ไ้ยความทุกข์ความทุกข์ ม, กมีจริงไหมในตัวเราแล้วเรารู้จริงไหมแต่รู้แบบดูอย่าเข้าไปอยู่กับความทุกข์กายทุกข์ใจไม่ทุกข์กายป่วยใจไม่ป่วยกายเมื่อยใจไม่เมื่อยกายหิวใจไม่ต้องโมโหไม่ใช่เราเป็นเพียงเรื่องของกายมีสติแก้ไขมันเปลียนยบทอย่างรู้สึกตัวก็เป็นการเจริญสติ เราจะห้ามไม่ให้กายปวดไม่ให้กายทุกไม่ได้หรอกเป็นหน้าที่ของเขากายต้องทุกกายต้องแก่กายต้องตายแต่จิตผู้รู้เนี่ยรู้เฉยๆแล้วก็แก้ปัญหาไปทามันไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยมันก็ไม่ใช่กายดีแล้วที่มันปวดมันเมื่อยขอบคุณเขาเขายัางทําหน้าที่อยู่มันเจ็บมันปวดถูกแล้วอย่างผมเนี่มีแผลเยอะเลยเนี่ยยัยงมีแผลอยู่ที่หัวเข่าเห็นไหม ก็เรียาเป็นหลักฐานชัดเจนผมไม่รู้สึกว่าแผลเนี่ยแผลนี้เกิดจากความไม่รู้สึกว่าร่างกายเป็นทุกข์เมื่อเวลามันสีกับสิ่งที่มันมีคมมันเจ็บเราก็ไม่รู้จนมันทะลอกเป็นแผลเป็นหนองมันก็ไม่รู้สึกเจ็บพราะเขาไม่ได้ทาหน้าที่ของเขาแต่มารู้ตอนที่ที่นอนเนี่ยเปื้อนมีเลือดหรือผู้ดูแลบอกว่านี่แผลมาจากไหนเราจะรู้ว่าอ๋อมันไปทําสิ่งนูง้นสิ่งนี้มา ความไม่รู้สึกเจ็บของกายเนี่ยทําให้เราต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นมันเจ็บมันปวดมันทุกข์ต้องขอบคุณมันที่มันทําหน้าที่เราจะได้แก้ไขมันมันบอกความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันมาคับบัญชาไม่ได้อันนี้คือธรรมะในตัวเราเห็นไหมยิ่งดูก็ยิ่งรู้ยิ่งดูก็ยิ่งเข้าใจเกิดปัญญาจากความทุกข์อย่าปฏิเสธเกิดทุกข์เรามีสติอย่าเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ เป็นผู้ดูแล้วก็แก้ไขตามสติกำลังช่วยตัวเองไม่ได้ไปหาหมอใจไม่ต้องเป็นทุกอันเนี้ทุบทางกายต่อไปเมื่อจิตมาละเอียดขึ้นเนี่ยมันจะเห็นทุบทางจิตนะเมื่อรู้กายรู้เท่าทานกายแล้วเนี่ยใจมันจะเริ่มเบาแหละใจจะเริ่มเบ า, จะ เ, เบาจะเริ่มบ้านทุบทางกายเราห้ามไม่ได้ใครห้ามไม่ให้ทุกได้บ้างห้ามไม่ให้แก่ได้ไหมห้ามไม่ให้ตายได้ไหม ไ, ได้แต่เราสามารถเจริญสตินําจิตออกจากความแก่ความตายได้ไหมไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่เป็นไรต้องพิสูจน์เจริญสติบ่อยเนี่ยมันจะเนื้อเจ็บเนื้อแก่เนื้อตายความแก่เป็นเพียงอายุใช่ไหม <c oughs> ความแก่เป็นเพียงเรื่องของสังขารแต่เราสามารถเจริญสตินําจิตออกจากความแก่ได้เนี่ยคนพิการอย่างเนี้ยถ้าเราไม่เจริญสติเนี่ยเราก็หมดเนื้อหมดตัวไปกว่าความพิการทางกาย ใจเพราะพิการไปด้วยแต่เราเจริญสติฝึกสติให้เกิดปัญญาแยกจิตแยกกายน้ำจิตออกจากความทุกข์เพราะความพิการได้เพราะนั้นเมื่อจิตมันเบารู้การจนจิตํานาแล้วจิตมันเบามันจะเห็นจิตที่มันคิดมันปรุงแต่งใครเห็นจิตมันคิดบ้างหรือเราเข้าไปเป็นผู้คิดหมดเลยไม่ได้เห็นมันคิดการเห็นนั่นคือเห็นแบบนี้ เห็นแบบอย่างที่ยาติธรรมเนี่ยเห็นผมเป็นคนพิการยาติธรรมก็ไม่ได้พิการอย่างผมใช่ไหมเป็นแค่ผู้ดูผู้เห็นเท่านั้นเห็นจิตมันคิดเห็นจิตคือเห็นธรรมนะหลวงพเทียนท่านกล่าวไ้ว่ายามใดที่เราเห็นจิตคิดนั่นล่ะเราเห็นต้นทางของการปฏิบัติเข้าถึงความพ้นทุกข์แล้วเห็นจิตมันคิดแต่ไม่ได้ไปเป็นผู้คิดจิตเป็นนามาทำความคิดเป็นนามาทำ เห็นได้ยากรู้ได้ยากเขาไม่มีตัวไม่มีตนแต่เขามีอิทธิพลมากนะมันพาเราไปสุกพาเราไปทุกข์เพราะความคิดเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราขาดสติเราเข้าไปเป็นผู้คิดเลยคิดเกิดความพอใจไม่พอใจเนี่ยเวลาเกิดความพอใจอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ทําตามความพอใจความพอใจนี่เป็นความโลภอยากได้สิ่งไหนก็สแสวงหาซื้อมา ไปเที่ยวแสแวงหาอยากดื่มสุราก็ดื่มอยากกินสุกุลิก็สูบอยากกิเล่นกำปั้นก็เล่นทำตามความพอใจเสร็จแล้วบางทีมันผลคือเปลืองเนื้อเปลืองตัวเสียเวลาเสียสุขภาพก็มีนะเพราะเราทำตางความพอใจถ้าเราไม่แด่ ใ, ใจก็เอาละเกิดความไม่พอใจละเกิดความโกรธงุดยิดอึดอัดคัดเครื่องไปด่าไปว่าไปทำ้ายคนสุดท้ายมีปัญหาติดคุกติดเรง ไม่ถูกกันทะเลาะ ก, กันมองหน้ากันไม่ติดเพราะเราทําตามความไม่พอใจเป็นอย่างนั้นไหมบางทีเราหลงนะพอใจก็ไม่รู้ไม่พอใจก็ไม่รู้หลงคิดปรุงแต่งเรื่องอดีตที่มันผ่านไปแล้วกลับเอามาคิดให้เป็นทุกข์เรื่องอนาคตที่เอามาไม่ถึงก็คิดกังวลเป็นเพราะความคิดในอนาคตปัจจุบันเนี่ยเราทุกข์เพียงพอแล้วทุกเนื้อดีก็เพียงพอแล้วสำหรับอดีต เรื่องราวในอดีตก็เพียงพอแล้วสลับในอดีตอย่าเก็บเอามาคิดเรื่องในอนาคตยังมาไม่ถึงอย่าไปดึงออกมาทุกปัจจุบันเนี่ยเพียงพอแล้วไปเก็บทุกกรีเข้ามาไปเก็บทุกอนาคตเข้ามาทับถมปัจจุบันจะทุกข์หนักขึ้นอีกไม่สงสารจิตใจเราบ้างเลยเพราะเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเรามีกายมีจิตแต่เราไม่เคยเป็นเจ้าของกายจิตเลยใช่ไมเราปล่อยให้ความพอใจไม่พอใจ ให้ความโลภความโกรธความหลงเป็นเจ้าของกายจิตเราเนี่ยมันไม่ยุติธรรมนะเราต้องปลดแอกประกาศอิสรภาพเหมือนพระทะเลสวรหลังน้ําจิโลทกประกาศอิสรภาพจะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครวันนี้ต้องประกาศอิสรภาพไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของความคิดที่มันปรุงแต่งจะรู้ทันมันทุกครั้งความคิดเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ทันเราก็ เขาก็จะดับเขาเป็นของเกิดดับเป็นของไม่เที่ยงเขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อมันคิดขึ้นมาปับ๊บเราไม่ไปปรุงแต่งต่อเติมแล้วก็มันก็จะดับหรือไม่ไปให้ความสําคัญมั่นหมายมัน um คิดขึ้นมาปับ๊บอย่าไปสําคัญมั่นหมายมันกลับ <maybe S 2> มารู้กายเคลื่อนไหวมารู้กายเคลื่อนไหวกายมันไม่คิดหรอกทิ้งความคิดไปเลยไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปบังคับความคิดทิ้งความคิดกลับมารู้กายเคลื่อนไหวก็ปลอดภัย จิก็ปลอดภัยจากความคิดอาศัยความรู้สึกตัวผูกจิตไว้กับกายหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านอุปมาว่าไงสติเหมือนแมวความคิดเหมือนหนูเป็นอริกันไหมแมวกับหนูเคยเห็นแมวกับหนูจู่จี้กันไหมมันอริกันมีแมวเนี่ยหนูไม่ค่อยอยากจะอยู่หลวงพ่อเทียนบอกว่าบ้านเราเนี่ยมีหนูเยอะอย่าไปไล่หนู อย่าไปดักหนูไม่ต้องทำร้ายหนูไม่ต้องไปทำทำอะไรกับหนูทำหน้าที่เลี้ยงแมวเอาไว้เลี้ยงแมวต้องให้อาหารแมวด้วยนะถ้าเลี้ยงแมวไม่ให้อาหารแมวนี่แมวมันก็หนีเลี้ยงแมวให้อาหารแมวมากๆเมื่อแมวมันโตเนี่ยไม่ต้องไปบอกแมวหรอกว่าจงไปจับหนูไม่ต้องบอกแมวมีหน้าที่อยู่แล้วเป็นอาชีพของแมวคือการจับหนูเมื่อแมวโตแมวก็จับหนูเองหนูก็หมดไป การเจริญสติเป็นการให้อาหารแมวให้อาหารแมวให้มากๆสติมากขึ้นความคิดจะน้อยลงคิดมากสติน้อยคิดน้อยสติมากไม่คิดสติเกิดเพราะเพราเวลาคิดแล้วเดี๋ยวต้องคุยพอคุยแล้วสติหายไปเลยถ้ามีสติแล้วไม่ค่อยอยากจะคุยไม่ค่อยอยากจะคิดขี้เกียจคิดแต่ไม่ขี้เกียจรู้สึกตัว เมื่อจิตไม่ถูกความคิดปรุงแต่งจิตมันก็เบิกบานจิตก็ไม่เต้าหมองความสดใสเบิกบานนั้นเกิดจากจิตที่ไม่ปรุงแต่งด้วยกิเลสจิตเบิกบานจิตสดใสด้วยความรู้สิตัวนี่แหละคือความสุขสูงสุดในทางพุทธศาสนาเลยนะความสุขสูงสุดนั้นคือความสุขที่จิตไม่มีกิเลสเป็นสุขแบบสบาย สุขสงบเย็นและเป็นสุขที่แท้จริงด้วยถ้าเรามีความสุขแบบนี้แล้วเนี่ยไม่อยากจะสแสวงหาความสุขที่ไหนอีกแล้วได้พบแล้วคนที่เราตามหาได้พบแล้วสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบพอใจแล้วไม่ต้องวิ่งไปเพราะรักไม่ต้องวิ่งหนีเพราะโกรธคนที่บอกว่าโอ้เรามีความสุขแล้วเราพอแล้วอันนั้นยังไม่ใช่นะถ้ามีความสุขแล้วทาไมต้องสแสวงหาความสุข ต้องไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวนั่นแสดงว่ายังขาดความสุขอยู่ใช่ไหมไม่เหมือนกับคนที่อิ่มแล้วแม่ทานข้าวแล้วแต่ถ้ายังทานอีกแสดงว่ายังหิวอีกนะความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่สบายสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีเป็นสุขที่หาได้ง่ายไม่ต้องไปดูลี่โลนแสวงหาที่ไหนส่วนสุขภายนอกนั้นเราก็ต้องเสียเงินเสียเวลาไปสุขแบบ ส, สนาน เราเป็นผู้สูงอายุสูงวัยจะสแสวงหาความสุขแบบสุขสนานนี่มันลาสมัยแล้วมันของเด็กๆ <c oughs> ถูกไหมมันต้องยกระดับจิตตัวเองหาความสุขแบบสงบเย็นสบายเป็นตัวอย่างลูกหลานปล่อยให้ลูกหลานเขาสนุกแบบเด็กๆไปก่อนแล้วค่อยสอนครับอันนี้ไม่ได้มาสอนนะมาแบ่งปันมาแบ่งปันให้แง่คิดเคารพผู้สูงอายุผู้สูงวัยเสมอเพราะฉะนั้น เรามีจิตมีกายเราต้องให้สติให้ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเจ้าของตะเมื่อสติเป็นเจ้าของกายเจ้าของจิตแล้วก็เขาจะพาไปสิ่งที่เป็นกุศลเพราะว่าสติเนี่ยคือทําที่เป็นกุศลจะพาไปทําดีจะพาไปพูดดีจะพาไปคิดดีให้สติเป็นเจ้าของกายจิตเมื่อสติเป็นเจ้าของกายจิตแล้วเนี่ยคําพูดก็ดีคิดก็ดีกิเลสหมดโอกาสเป็นเจ้าของประกาศอิสรภาพเลย นี่ะคือความสดชื่นเบิกบานด้วยความสุขตัวแล้วก็มีความสุขได้ในปัจจุบันการที่เรามาปฏิบัติที่นี่เนี่ยก็ดีแล้วดีแล้วหล่ะเราเป็นคนที่ทำบุญทากุศลให้กับตัวเองใครรู้ใครเห็นก็สรรเสริญเทวดาก็สรรเสริญคนที่ปฏิบัติธรรมสรรเสริญยกย่องว่าเนี่ยคือทาดีนะละกิเลสพาชีวิตให้พ้นไปจากความทุกข์เจ้าของสถานที่ เขาก็พลอยได้บุญไปด้วยเพราะจัดสถานที่กับคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้เป็นบุญมากเลยเหมือนนางวิสาขาเหมือนอนาถบินิกะเศรษฐีสร้างสถานที่ให้พระมาอยู่ให้มีผู้มาปฏิบัติเขาพลอยได้บุญด้วยแม่ครัวทำอาหารอย่างปราณีตเพื่อให้นักปฏิบัติได้มาปฏิบัติเขาก็พลอยได้บุญนะเห็นไหมได้บุญมากจนกรงตั้งทานมากหลับก็มีนะนั่นะคือบุญมาก ทำให้อร่อยเขาว่านักปฏิบัติก็ทนให้อร่อยจริงๆเสร็จแล้วก็ห่วงรับเขาก็พลอยได้บุญด้วยเขาภูมิใจที่ได้ทําอาหารให้กับนักปฏิบัติได้มาทานพระกุณเจ้าก็พลอยได้บุญได้มาเป็นหมูเป็นมิตรมาพูดธรรมะผมเองก็พลอยได้บุญนะผู้ิบ่มากับผมเป็นคณะผู้ ด, ดูแลเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยพลอยได้บุญไปด้วยพวกเราคืนเนื้อนาบุญให้เราได้ หวานไยไม่ใช่ไรีไถนะหวานไยนั้นเราภูมิใจตั้งใจปฏิบัติเราจะเป็นเนื้อนาบุญที่สมบูรณ์ที่สุดเลยถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัตินี่เป็นเนื้อนาบาสนะไม่มีใครอยากมาไถเราเป็นเนื้อนาบนุญตั้งใจให้เต็มที่พลังของธรรมะเนี่ยจะไม่เกิดพลังจิตใจจะแผ่ไปให้ใครก็ถึงเพราะมีพลังจิตด้วยพลังธรรมนี่แหละคือกาลังภายในนะ ถ้าเราไม่ตั้งใจพลังธรรมในจิตใจจะไม่ค่อยเกิดแผ่ไปก็ได้แค่ตัวเองบางทีก็อยู่ในแค่คุ้มชมดาวเนี่ยไปไม่พ้นรัว้วไปถึงข้างนอกเจอฝุ่นก็กลับมาแล้วไม่มีพลังปิดไม่มีพลังธรรมแต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติขยันอดทนอย่างน้อยคืออย่าเป็นทุกข์ทำใจให้เป็นสุขเข้าไว้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อความสุขที่เครียดสุขเกิดจากจิตที่ผ่อนคลายสบายสบาย เราจะมีพลังบุญที่จะแผ่ไปถึงปละรโลกเลยนะพบหน้าพบอื่นเราแผ่ไปได้ถึงโลกอื่นด้วยพอเราสร้างพลังกับตัวเองนะ